ทกการนิกายเทระคาถาครับเล่มที่สองตอนที่สองนะอะเงี้ยครับอ่าเล่มที่สิเอ็ดนี่อยู่ในทานิยะเทระคาถาเออทานิยะเทระเนี่ยก็เป็นเจ้าของอา่าลงปั้นหม้อนะนะสมัยที่พระผู้มิภาพพบกับพระปุกุสสาติเนะนะ่ะแล้วก็จําได้ไหมพระปุกุสสาติที่เจอกันนะแล้วก็พระผู้มิภาค อยู่ในที่เดียวกันนะ่ะแล้วก็เทศนาแล้วก็พับกุสาตีก็ได้บรรลุเป็นภรรยาบุคคลแล้วถูกวัวขีดตายไป น, ะนะนั่นนะเนี่ยหมายควาะว่าพัฒนียาเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านนั้นคือภายหลังเกิดศรัทธาบอกโอ้ดิแค่คืนเดียวเนี่ยนะพระภูมิภาคทรงมีความมีปัญญามีความสามารถที่จะทําให้บุคคลเป็นภรรยาบุคคลได้เนี่ยนะ mm hmm. เกิดศรัทธานะ mm hmm. ก็ได้บวชบวชแล้วก็อ่าก็ได้บรรลุมรรคผลนะฮะแต่ตอนบวชนั่นก็ชอบแต่งกุศลี แ ต, แต่งกุฏิอะตัวเองนะตกแต่งอะไรนี่ไหมดได้ยุ่งอยู่พวกนั้นเนะนี่ยก็พระผพุมิภาคก็เคยทรงตำหนินี่นะฮะว่าให้เป็นอยู่อย่างง่ายๆท่านน้องนั่นะฮะแล้วภายหลังท่านได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยท่านก็มีคาถาว่าคาถาเพื่อที่จะให้พระภิกษุอื่นๆเนี่ยนะให้ให้มีความดํารงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆอย่าง อ, อ, อ, อ, อย่างสมัยสมัยนี้เขาเรียกว่าแบบสมถะนั่นนะข้อความคื อ, องนี้ ถ้าภิกษุมุ่งความเป็นสมณนะควรปรารถนาเพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆไม่ควรดูหมิ่นจีวรปานะและโภชนะที่เขาถวายเป็นของสงฆ์ถ้าหากภิกษุมุ่งความเป็นสมณนะควรปรารถนาเพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆควรใช้ที่นอนและที่นั่งเหมือนงูอาศัยรูหนูแม่อีกตรงนี้นี่ผมชอบมากอ่าแล้วชอบมาก ฉะนั้นถ้ามุ่งความเป็นสมณะควรปรารถนาเพื่อดํารงชีวิตยอยู่อย่างง่ายๆพอใจด้วยปัจจัยตามมีตามได้และควรจเจริญทำอย่างเอกด้วยในตอนท้ายนี่สําคัญนะคือผมชอบใจว่าเหมือนเหมือนงูอาศัยรูหนูเนี่ยนะคือนึกอยากจะเป็นงูไปอาศัยรูหนูคือเห็นชีวิตคราวานรู้สึกว่ามันขับแคบพอสมควรนะงูอาศัยรูหนูนะไปเมื่อไหร่ก็ได้ จะอยู่เมไรก็ได้นะเออการเจริญเมตตาเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราเจริญกับผู้ใดแล้วนี่นะมันก็อาจจะมีผลเสียสะท้อนกลับมาเราได้นะเช่นถ้าเราเกิดไปเมตตาผู้ที่เป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นอะไรเนี่ย ไอ้เรื่องความเสียหายหเรื่องอะไรที่มาเป็นภัยต่อเราก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้ผมอยากให้ท่านอาจารย์ลองได้พูดที่ว่ามันมีธรรมะข้อไหนบ้างที่อธิบายเรื่องนี้ไว้คือเมต่านั้นเป็นเป็นกุศลธรรมชั้นสูงพอสมควรเป็นกุศลประเภทสมถกรรมฐานคนที่จะเจริญสมถะได้นั้น จะต้องรู Food, mm ้จักลักษณะของเงินรู้ลักษณะของผานรู้ลักษณะของบัณฑิตนะเมื่อรู้จักลักษณะของคนพานแล้วควรเกี่ยวข้องกับคนพานอย่างไรเมื่อรู้จักลักษณะของบัณฑิตแล้วควรเกี่ยวข้องกับบัณฑิตอย่างไรคนพานมีอะไรเป็นลักษณะบัณฑิตมีอะไรเป็นลักษณะการแยกแยะลักษณะคนพานของกับบัณฑิตได้ การแยกแยะอย่างนี้ได้จึงจะเจริญกุศลได้อย่างกุศลประเภทสมถนะนะการรู้จักคนนั้นเป็นเรื่องของกุศลศีลดัน้นกุศลศีลทุกข้อเนี่ยมีความสาคัญมากต่อการเจริญภาวนาทั้งที่เป็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของคนเนี่ยนะเมตตาของเราก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้ คือเมตานั้นอย่าลืมว่ากายกรรมวัจีกรรมและมนโนกรรมคําว่าเมตานั้นเราต้องนึกถึงสภาพของจิตที่หวังดีปรารถนาดีจิตที่เป็นมิตรกับคนจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ใช่ไม่รู้จักคนดีไม่รู้จักคนชั่วเสร็จแล้วไปคลุกคลีอยู่กับคนชั่วเอาเมตามาบังหน้าไม่ใช่นะฉั้นคนที่มีเมตตาเป็นต้นเนี่ยคนนั้นจะต้องศึกษาเรื่องสัปายะเป็นอย่างดี เมตตาจะเกิดได้ส่วนหนึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงคนที่ขาดเมตตาเป็นต้นนะนหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทําให้เมตตาไม่เกิดอพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงการละอาสวะไว้ตั้งหลายอย่างด้วยกันอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการ น, นะเว้นรอบอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการเห็นเป็นต้น อาสวะบางอย่างอาสวะบางอย่างเนี่ยละได้ด้วยการพิจารณาอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะบางอย่างเนี่ยต้องละได้ด้วยการหลีก kicking. ด้วยการหนีแล้วก็อาสวะทั้งะบางอย่างก็ต้องละได้ด้วยการบรนเทาอาสวะบางอย่างต้องละได้ด้วยการเจริญเราต้องสามารถแยกแยะในอารมณ์นั้นๆให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่อารมณ์บางอย่าง ซึ่งบางขณะนั้นต้องเป็นอารมณ์ของอสุภกรรมฐานเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นว่านะในในชั้นชั้นธรรมดาเนี่ยเราเห็นอาจว่าเออมีเมตตากลัวจะมีโทษเมษตากับคนผิดมีโทษพระพิสูก็เหมือนกันถ้าเมตตาอย่างเช่นเมตตาเจาะจงเพศตรงข้ามเจาะจงอันนี้มีโทษแน่นอนนะขนาดเขาไม่ได้ถึงกับเป็นพานอะไรหรอกแต่อย่างนั้นยังยังมีโทษเลย อันะไม่ไม่จำต้องกล่าวถึงว่าคนคนไม่ดีจริงๆคนไม่ดีจริงๆนั้นอนะ่ะในชั้นศีลเนี่ยเป็นตัวให้เราเว้นรอบตั้งแต่ต้นแล้วอันคนศีลไม่ดีไม่สามารถที่จะเจริญเมตตาได้น ะ, ะเมตตาที่เป็นกิจเป็นการงานอ่ะนะแต่เว้นไว้แต่เมตตาธรรมดาทั่วๆไปอ่าซึ่งเกิดโดยอัทยาสายอยู่แล้วแต่ว่าการเกี่ยวกับเรื่องการคบคนนี่ขอให้รู้เถอว่าในชั้นศีลเท่านั้นเองนะ คนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นถ้าเขาไม่ดีจริงเราไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยเราจึงจะรักษาศีลได้เพราะว่าศีลบางข้อนั้นถ้าอย่างเป็นสมณะนั้นตัวเองไม่ทำแต่ถ้าคนอื่นทำอยู่ในฐานะที่เราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ทาอันนี้เราก็ผิดด้วยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นการผิดศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าทาเองจึงจะผิดหมดคนอื่นทาให้เราก็มีสิทธิ์ ผิดด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่ฉลาดในอุบายนั้นๆพอไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดปารบไม่ฉลาดจัดการในเรื่องนั้นๆเราก็เป็นอบัตได้ะนะั่นอย่างเช่นเข้าปารบที่จะทําสังฆเพศเป็นต้นเนี่ยนะเรานิ่งดูไดไม่ได้นะเราไร้ข่าวเรานิ่งดูไดไม่ได้นะเราต้องเข้าไปไปจัดการเข้าไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งะนะซึ่งตามเหมาะสมแก่พระวินัยบัญญัตินั่นเอง หรือว่าคนอื่นเขาทําผิดเป็นต้นเนี่ยนะเราไม่ไม่แนะนําไม่รู้จักบอกกล่าวเปต้นหรือไปแอบปกปิดความผิดของคนอื่นเขามีอยู่เนี่ยเราไปปกปิดเอาไว้นะประสงค์จะปกปิดอันนี้ก็เป็นอาบัติเพิ่มอีกเห็นเขาทําไม่ดีแล้วเราไปปกปิดความชั่วของเขาอ่ะนะแต่ก็เอาไปประจานผิดที่ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันะเอาไปพูดผิดที่ผิดการผิดอะไรก็เป็นอาบัติอีกครั้งอันนั้นเป็นเรื่องของของพระวินัยอ่ะนะ ันถ้าหากว่าพระวินัยในชั้นปาติโมกกราวรักษาไม่บริบูรณ์พระวินัยในชั้นละเอียดเช่นอินทรีย์สังวรเราก็ไม่ไม่บริบูรณ์เมื่ออินทรีย์สังวรเป็นต้นไม่บริบูรณ์นะปัจจะสานนิสิตศีลเราก็ไม่ไม่บริบูรณ์ด้วยเพราะเรามัวแต่เพลินกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไปอยู่ในเสนาสนะก็ไม่พิจารณาเมื่อเพลินกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใช้สอยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจีวรก็ไม่ พิจารณาเมื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์บางอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็ไม่ใคร่ครวนไม่พิจารณาเมื่อไม่พิจารณานั้นนะถ้าเป็นพระนะอย่างยาเนี่ยถ้าไม่ปัจเจกเนี่ยเป็นอบัตนะในขณะที่ที่บริโภคนั้นนั้นถ้าไม่ปัจเจกไม่พิจารณาก็เป็นอบัติด้วยนะส่วนปัจจัยที่เหลือนะจีวณเสนาสนะแล้วก็ อาหารเบญธบาทถ้าปล่อยให้สว่างซะก่อนไม่ปัจเจกเนี่ยถือว่าเป็นอินะบริโภคด้วยบริโภคอย่างคนเป็นเป็นนี่นะเอ อ, เ, อ, อเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าท่านผู้ถามเนี่ยคงจะอยากจะถามานี้ครับถ้าเราเมตากับใครนะเช่นสมมุติว่าเราสงเคราะห์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนไม่ดีเนี่ยแล้วก็เราก็อาจจะได้รับ โทษจากบุคคลนั้นนี่นะเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสรรพชัญญาเปล่าครับ อ, อ๋อเกี่ยวข้องอยู่แล้วเช่นอดนะประโยชน์ของการสมมุติว่าเราจะสงเคราะห์บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นนะวันนี้โยมเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยหยิบยื่นพวกน้ํำดื่มเนี่ยนะเป็นเป็นโยมผู้หญิงนะั่นเล่าให้ฟังหยิบยื่นน้ํำดื่มให้พวกกลุ่มคนงานดื่มทีนี้ในกลุ่มคนงานเหล่านั้นเนี่ยนะกลายเป็นว่ามีมีความคิดว่า คนที่หยิบยื่นน้ำไปให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะมีใจปฏิพัติกับคนพวกนั้นก็เลยพูดเสียดสีบางอย่างขึ้นมาลักษณะเมตตาลักษณะเนี่ยที่แรกเจตนาดีใช่ไหมที่จะไปให้พวกคนเหล่านั้นกินแสดงว่าไอ้เมตตาเนี่ยดีละที่ที่คิดจะเอื้อเฟื้อที่จะเผื่อแผ่แต่ถ้าเรารู้ระบบนะเราไม่จาเป็นต้องให้ด้วยมือของเราเองใช่ไหมเราไม่จาเป็นจะต้องเข้าไปไปร่วมวงในอันนั้น เราก็ทําอ้อมก็ได้ใช่ไหมใช้ให้คนอื่นไปทําแทนซึ่งไม่ถ้าเราจะทําดีนะไม่ต้องมีชื่อเราก็ได้นะนะหรือว่าอมอบหมายให้กับคนที่เขารู้ว่รู้ในเรื่องนี้ดีเขาเป็นคนจัดการให้ก็ได้เช่นเราจะสงเคราะห์คนไม่ดีสักคนหนึ่งเนี่ยนะเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเองเราก็เมตตาไปบอกอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งไปช่วยก็ได้ลักษณะนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องเอ่ยเราก็ได้นะถ้าเรามีเมตตาจริงๆนะ คนที่มีเมตตาเป็นมิตรจริงๆเนี่ยนะเขาทําโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็ได้นั่นแหล ะ, ะก็แสดงว่าก็แสดงว่ากุศลขั้นนี้เนี่ยนะฮะประกอบปัญญาจริงๆเจริญพรชัใช่ไหมต้องต้องปัญญาสัมพุทธจริงๆต้องแต่ปัญญาขั้นสรราธารณสัมพัน ญ, ญาไปเลยใช่เจ้นะ <จน S 2> ใช่เพราะว่าถ้าเจริญไม่เป็นเนี่ยเขาจึงเรียกว่า คนจะมาเสียใจในภายหลังนะทำคุณคนไม่ขึ้นอะคือการสงเคราะห์คนอื่นหรือเมตตาคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าไม่ฉลาดทำํำพอไม่ฉลาดทําก็จะนึกทวงบุญคุณเป็นต้นนะฉันอุตส่าห์ทำดีกับแกมาตั้งมากมายทำไมแกไม่ไ ม, ไมนนงงน่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทวงนนี้ก็ทวงบุญคุณเป็นต้นนั้นคนที่ทําไม่เป็นนั้นจะเป็นลักษณะนั้นแต่เมตตาอันนั้นแสดงว่าเมตตาที่เจือไปด้วยอคติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการใส่เบ็ดเหมือน ก, นการตกเบ็ดนะอ่อยเหยื่อไปแล้วเพื่อที่จะหวังอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นคนที่มีเมตตาด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นเขาจะศึกษาวิธีการด้วยนะว่าเมตตากายกรรมเนี่ยควรจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรโดยที่ไม่ให้มีโทษเพราะคนที่เมตตาจริงๆเนี่ยนะที่เรากล่าวกันก็คือเมตตาต่อตัวเองก่อนเมื่อเราทํากิจการงานไปแล้วนั้น เราเดือดร้อนไหมประโยชน์ตนมีไหมก่อนคือเ ร, เราต้องไม่ลืมว่าคําสอนเนี่ยนะกล่าวประโยชน์ตนก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทํานะประโยชน์ตนเนี่ยไม่ได้แต่ประโยชน์คนอื่นได้แน่ใจนะว่าคนอื่นเขาได้ประโยชน์จริงๆหรือเราคิดเอาเองว่าเขาได้ประโยชน์เพราะว่าการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาคนที่เจริญนั้นต้องเป็น เป็นกุศลก่อนใช่ไหมอ่าเมื่อเป็นกุศลก่อนฮันโหลเราทําแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนเพราะการกระทํานั้นนั้นแ น, น่นอนคนที่มีปัญญาจริงๆเขาจะไม่ทําเรื่องนั้นเพราะกุศลมีตั้งหลายอย่างอย่าลืมว่าเมตาก็คือหนึ่งในกรรมฐานสี่สบกองนะไม่ใช่ว่าโอโหช่วงนี้โลภา น, นี่มีกําลังมากเสร็จก็นั่งเจริญเมตตาอยู่นั่นแหละแสดงว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักสมัยนั่นแหลเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นศัตรูใกล้ของ บุคคลเมื่อจิตเนี่ยถูกราคะเป็นต้นย้อมมากๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยต้องไปเจริญธรรมะประเภทอสุภะกรรมฐานไม่ใช่ให้ไปเจริญเมตตาเพราะการเจริญเมตตาก็ต้องรู้จักกาละและสมัยด้วยเหมือนกันเจนรก็แสดงว่ามันก็เข้าเรื่องประโยคะาจนได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเนปกะนะปัญญาเป็นเครื่องบริหารปัญญาเป็นเครื่องรักษา เขาบอกว่าในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญจะนะอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชตยาตังนะว่าว่านราผู้มีปัญญาก็คือมีปัญญาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ปฏิสนธิปัญญาก่อนอรักษาศีลอ บ, บรมจิตเนี่ยนะแล้วก็เจริญปัญญามีปัญญารักษาตนมีปัญญาอยู่3าครั้ง ปัญญาข้อแรกหมายถึงปัญญาที่เกิดมาพร้อมแต่เกิดปัญญาข้อที่สองก็คือวิปัสสนาปัญญาปัญญาข้อที่สามก็คือปัญญาในการบริหารตนปัญญาในการดูแลรักษาตัวเองให้เป็นเพราะว่าคนที่ดูแลตัวเองไม่เป็นนั้นไม่สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อนเนื่องอาจารย์อันที่จริงการเจริญเมตตานี่นะครับที่เราเรียนผ่านมาแล้วนี่นะครับก็เป็น เป็นวิธีที่เราควรจะต้องนํามาใช้ให้ถูกเพราะว่าท่านท่านกล่าวไว้ว่ามีทั้งหกวิธีใช่ไหมครับเช่นกายวิชีกรรมกายกรรมวิชีกรรมรรร ม, มโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยรวมได้ทั้งหกอย่างแล้วเมื่อเราจะเจริญเมตตาหรือว่าเราจะเมตตาใครหรือกรุณาใครสักคนเนี่ยเราคงจะดูว่าเอ๊แบบไหนดีนะครับบางคนอาจจะเจริญด้วยแค่มโนก็ดีแล้วนะครับจ่าอาอาจจะแค่มโนกรรมอย่างเดียวก็เหมาะสมในเรื่องนั้นนั้นแล้ว เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จาักกาละเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ลำบากงนั้นการเจริญกุศลธรรมนี้ก็เรียกว่าอัฏฐันอยู่ต้องรู้นะรู้อัฏฐารู้ประโยชน์ทรมันอยู่รู้เหตุนะกาลันอยู่รู้การรู้เวลาอัฏถันอยู่อ่าไม่ใช่กาลันอยู่ปริสันอ ย, อนอ ย, นอยู่รู้บริสัทนะแล้วก็มัตตันอยู่รู้ประมาณ อันรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนเนี่ยนะจึงจะสามารถที่จะเจริญกุศลต่อไปได้แต่ถ้าเราวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งคงจะเจริญกุศลต่อไปได้ยากกุศลที่ขาดปัญญาหล่อเลี้ยงเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้เพราะมองการเจริญกุศลอย่างไม่ไม่ตลอดสายอย่างท่านที่ว่าเนี่ยไปให้น้ําตอนหลังเลยไม่ให้กินเลยนะพอพวกนั้นพูดไม่ดีเลยเลิกทาบุญไปเลยก็มี น, นะ เจตนาดีเธอต้นแต่วิธีการอาจจะบกพร่องไปหน่อยนั่นแหละอันวิธีการนี้เป็นเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดเลยนะเจตนาที่จะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ก็ดีแล้วละนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีเมตตาที่สุดแต่พระองค์จะตําหนิบุคคลที่ควรตําหนิพระองค์จะข่มบุคคลที่ควรข่มพระองค์จะยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง ไม่ใช่ว่าโอ้ยช่วงนี้เขาควรข่มนะเมตตาเออปล่อยไปเธออย่างเงี้ยนั้นเมตตาที่ถูกต้องนั้นมีปัญญาประกอบแนะนําเข้าด้วยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นต้นนะนะอย่างกล่าวถึงเรื่องเมตตาเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์ทรงมีเมตตาต่อพระราหุลการที่พระองค์มีเมตตาต่อพระราหุลเนี่ยพระองค์จึงหาอุบายวิธีให้พระราหุลเนี่ยนะฉลาดคิดตั้งหลายเรื่อง ไม่ได้สอนเมตตาแก่พระราหุลอย่างเดียวแต่สอนกรรมฐานตั้งหลายอย่างด้วยกันตรงนั้นเป็นผู้ที่มีพระเมตตาสูงมากความที่พระองค์มีเมตตานั้นพระองค์จึงสามารถที่จะยกสมัยที่ควรยกหรือว่าข่มในสมัยที่ควรข่มเป็นต้นแล ะ, ะด้วยอำนาจพระปัญญานั่นเองทาให้พระองค์สามารถบอกกล่าววิธีการในการเจริญกุศลอีกตั้ง มากมายหลายอย่างอย่างเช่นข้อความในมหาราหุโลวาทสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาพิกุวคอันเนีกล่าวว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตาวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครองอันตราวาสกแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาท อย่างพระนครสาวถีเวลาเช้าแม้ท่านพระราหุลก็ครองอันตรวาศกแล้วถือบาทและจีวอลตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปณนะเบื้องพระปริสดางนะอมบาทเดินตามหลังไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผินพระพักไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตและเป็นปัจจุบัน เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งปวงนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นตัวตนของเรานะไม่เป็นอัตตาของเรานะเดินบินธบัตติดตามกันไปด้วยกันดีๆพระพุทธเจ้าเนี่ยแหลกลับมาเหลียวสอนกรรมฐาน สอนวิปัสสนาให้พิจารณารูปนะเห็นด้วยปัญญาอันชอบก็คือเห็นด้วยวิปัสสนาตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดนั้นคือรูปเท่านั้นนะนะปัญญาจะรู้โดยรู้ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองนะแต่ไม่ใช่ติดตามเห็นรูปเหล่านั้นด้วยอำ น, นาจตันหามานะและทิฏฐิเราฟังดูละเอ e, ๊ะทำไมนะเดินไปบินทบาทติดตามกันด้วยการเช่เฉยพระพุทธเจ้าเนี่ยหันไปสอนกรรมฐานพระราหุนเฉยยง น, นนะ คือเรื่องมิย่ว่าพระราหุนนี้ได้ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปณเบื้องพระปริสดางความว่าพระราหุนไม่ละสายตาตามไปเบื้องพระปริสดางไม่ขาดระยะด้วยการติดตามไปทุกอิริยาบถนะเดินอุ้มบาตตามพระผู้มีพระภาคว่างั้นเถอะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงย่างพระบาทไปข้างหน้าด้วยความงดงาม พระาหุนเทระนี้ก็เดินติดตามเสด็จพระทศพลไปณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็เสด็จไปท่ามกลางป่าไม้สาระมีดอกบานสะพรั่งทรงรุ่งเรืองดุจช้างตัวประเสริฐตกมันออกไปเพื่อจะอยังลงสู่สมรภูมินนพระราหุนพัทธะนี้ก็รุ่งเรืองดุจลูกช้างตามไปข้างหลังช้างตัวประเสริฐก็อุปมาเดินติดตามไปมงามมากว่าไ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรุ่งเรืองดุดไกรสอนสีหราชออกจากถ้ำแก้วไปสแสวงหาอาหารในเวลาเยน็นพระราหุลพัทธานี้รุ่งเรืองดุดลูกสีหะออกติดตามสีหมรคกราชนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดุดพญาเสือโคร่งมีกําลังที่เขี้ยวออกจากไพรสนมณีบรรพศอันมีสงาพระราหุลพัทธาก็ดุดลูกพญาเสือโคร่งติดตามพญาเสือโคร่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดุดพยาครุดออกจากสะสิมพลีพระราหุลพัทธาก็ดุดลูกพยาครุดตามไปข้างหลังพยาครุดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดุดพญาหงทองบินร่อนไปบนท้องฟ้าจากภูเขาจิตกุฎพระราหุลเถระก็ดุดลูกหงบินร่อนตามพยาหงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดุดนาวาทองเคลื่อนลงสู่สะใหญ่ พระาหุนพัทธาก็ดุดเรือลำเล็กผูกติดข้างหลังเล่นไปตามเรือทองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดุดพระเจ้าจากักรพรรดิเสด็จไปยังบนท้องฟ้าด้วยอนุภาพจากแก้วพระาหุน พ, พัทธดุดปรินายกแก้วติดตามพระเจ้าจากักรพรรดิพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดุดดวงดาวลอยบนท้องฟ้าปราศจากฝน พระราหุลพัทธะดุจ ด, ดาวประกายพลึกบริสุทธิ์ลอยไปตามดาวอธิบดีแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระราหุลพัทธะก็ทรงอุบัติในราชวงศ์ของพระเจ้าโกากากราชสืบเชื้อพระวงจากพระเจ้ามหาส ม, มุติแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระราหุลก็ทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย์มีชาติบริสุทธิ์เช่นกับน้ำนมที่ใสไว้ในสัง แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระราหุลพัทธะก็ทรงสละราชสมบัติออกบทพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดับไปด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการแม้ของพระราหุลพัทธะก็เป็นที่น่ารักอย่างยิ่งดุดซุ้มประตูแก้วอันตั้งขึ้นในเทพนครและดุดดอกไม้สวรรค์บานแผ่ไปในที่ทั้งปวงท่านก็หาคํามายกย่องกันนะ ด้วยประการชานี้แม้ทั้งสองนี้พระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยอภินิหารอภินิหารก็คือคนมีบุญเก่าะนะตั้งความปรารถนามายาวนานว่างั้นเป็นราชบัณฑิตเป็นกรรษัตริย์สุขุมลชาติมีผิวพรรณเหมือนทองคําสมบูรณ์ด้วยลักษณะเสด็จดําเนินไปทาตามทางเดียวกันรุ่งเรืองดุดครอบงามสิริแห่งสิริของจันทมนตรทั้งสองสุริยมนตรทั้งสองเท้าสักกะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตะเท้าปรินิมิต วสสวัตดีและมหาพรหมเป็นต้นทั้งสองซึ่งเป็นไปตามลำดับขณะนั้นท่านพระราหูนเนียเสด็จไปณนเะบื้องพระปริสดางของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแลดูพระตถาคตตั้งแต่พื้นพระบาทจนถึงปลายพระเกศาโอ้พ่อเรานะเดินติดตามพ่อไปกันงะชมพ่อใหญ่เลยนะ ท่านพระราหุลก็ทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเพศพระพุทธเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสรีระอันวิจิตด้วยมหาบุริสลักษณะ32ประการงดงามได้เป็นดุจเสด็จไปยังท่ามกลางผงทองคําอันกระจัดกระจายเพราะแวดล้อมไปด้วยพระสมีวาหนึง่งดุจนกบรรพศอันแวดล้อมด้วยสายฟ้าดุจทองคํามีค่าวิจิตด้วยรัตนะ อันฉุดคร่าด้วยยนต์แม้ทรงห่มคลุมผ้าอทรงห่มคลุมด้วยผ้าบางสกุลจีวรสีแดงก็ทรงงดงามดุจภูเขาทองอันปกคลุมด้วยผ้ากำพลแดงดุจทองคํามีค่าประดับด้วยสายแก้วประพานดุจเจดีย์ทองคําที่เขาบูชาด้วยผงชาติดุจเสาทองฉาบด้วยน้ําครั่งดุจพระจันทร์วันเพลนพโผล่ขึ้นในขณะนั้นไปในระหว่างฝนสีแดง สิริสมบัติของอัตภาพที่ได้เตรียมไว้ด้วยอนุภาพแห่งสมติงสะบารมีางนะรูปร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมี30ทัศเนี่ยตบแตนขึ้นมาวราไงจากนั้นพระราหุนเถระก็ตรวจดูตนบ้างโดูพระพุทธเจ้าก็ยกย่องนะแล้วก็หันมาดูตัวเองแล้วก็ดำริว่าแม้เราก็งามหากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงครองความเป็นพระเจ้าจักรวัจักรพัฒนในมหาทวีปทั้ง4 ก็จะได้ทรงประธานตําแหน่งปรินายกแก่เราเมื่อเป็นเช่นนี้ภาพพื้นชมพูทวีปจักงามยิ่งนักจึงเกิดชันธราคะอันอาศัยเรือนเพราะปรารบอัตภาพคิดก็งามมากคิดถึงพ่อนะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราก็ติดตามหลังพ่อโ อ, โ อ, โอ้งามน่นะแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จดำเนินไปเบื้องหน้าก็พระองค์นี่ทรงดาริว่านะพระราหูนี่คิดอย่างหนึ่งใช่ไมคิด ชื่นชมในรูปร่างกายไปพระองค์นี้คิดไปอีกอย่างหนึ่งว่าบัดนี้ราหุนนี่มีร่างกายสมบูรณ์ด้วยผิวเนื้อและโลหิตแล้วแสดงว่าเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้นะกลังวัยรุ่นเลยนะชื่นชมในความงดงามของตัวเองเป็นเวลาที่จิตฟุ้งซ่านไปในรูปารมณ์เป็นต้นอันหน้ากําหนัดไปเจออารมณ์งามๆก็ประทับใจนั่นแหละรูปเป็นอารมณาทิปฏิของโลภะเลย ราหุนนั้นยังการให้ล่วงไปเพราะเป็นผู้มักมากหรือหนอว่าไงปองก็คิดเอ๊ะสภาพคุณภาพจิตของพระราหุนในช่วงนี้เป็นยังไงครั้นแล้วพร้อมกับทรงคํานึงได้เห็นจิตตุบบาทของพระราหุนนั้นเห็นใ้ความคิดอันนั้นรับขึ้นมาเลยดุดเห็นปลาในน้ําใสและดุดเห็นเงาหน้าในพื้นกระจกอันบริสุทธิ์ว่าไงก็ว่าจับโจรได้คาคามือเลยนะ ก็ครั้นทรงเห็นแล้วก็ทรงทำพระอัธยาศัยว่าราหุนนี้เป็นอุรสของเราเดินตามหลังเรามามาเกิดชั้นทราคะอันอาศัยเรือนเพราะอัตภาพว่าเรางามผิวพรรณของเราผ่องใสราหุนนี้เล่นไปในที่มิใช่หน้าดำเนินก็ ค, คือเดินไปนอกทางเที่ยวไปในอะโคจรไปทิศไปยังทิศที่ไม่ควรไปดุดคนเดิน ทางหลงทิศแบบนั้นเอเห็นเดินผิดท่าแล้วนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจ พ, พระราหุลเนี่ยมาคิดถึงเรื่องความงดงามอยู่นั้นแหละอันหนึ่งกิเลสของราหุล น, นี้เติบโตขึ้นในภายในย่อมไม่เห็นแม้ประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ของผู้อื่นแม้ประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงคืออย่างถึงไอ้ตัวโลภะอันนั้นนะว่าโลภะนี้เกิดขึ้นเนี่ยคํานึงถึงประโยชน์ไหม ประโยชน์ตนที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นมีไหมเมื่อโลภะเจตสิกเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีใช่ไหมประโยชน์ตนนี้คืออะไรบ้างอะประโยชน์ของตนก็คือประโยชน์ทั้งที่เป็นของโลกนี้ด้วยประโยชน์ของที่เป็นโลกหน้าด้วยประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นเพศของค า, ารวาสนะการที่จะชื่นชมในความงามบางอย่างก็อาจจะไม่เสียหายประโยชน์ตนในโลกนี้แต่ถ้าหากว่าเพศบันปะชิตนั้น ถ้าพิจารณาถึงในลักษณะความงดงามเป็นต้นประโยชน์ตนในขณะนั้นเสียแล้วเสียจากอะไรกุศลศีลนขณนะนั้นก็ไม่เหลือนะโมแต่ชื่นชมความงามอยู่นะปาติโมก็ไม่เกิดอินทรีสังวรกุศลก็ไม่เกิดปัจญาสารนิสิตศีลก็ไม่เกิดอาชีวปาริสุทธิศีลก็ไม่เกิดนะสมถะภาวนาเลยนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ตั้งสี่สิบนัยยะ เฉนะพาะเมตตาอย่างเดียวก็แพกระจายขยายได้ตั้ง520ี่สกว่าในเนี่ยนะ528ร้ยในกุศลอื่นๆอีกวิปัสสนาขันธ์ธาตุอายตนะไม่เหลือสากอย่างประโยชน์เหล่านั้นหมดเลี่ยงเลยนะพระศาสนาซึ่งเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์สภาพจิตที่ปรารบอย่างนั้นกุศลนั้นไม่เกิดในจิตพระราหุลเลยในขณนะนั้นงนั้นประโยชน์อันนั้นเนี่เสียหายขนาดไห น, นและถ้าหากว่าปล่อยให้จิตแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะ ถ้าบวชอยู่นานๆและจะเป็นพระเถระชนิดใดใช่ก็เป็นพระเถระที่พาหมกมุ่นในในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พากันมัวประดับประดาตกแต่งเออแต่งยังไงบาทจะงามแต่งยังไงจีวรจะโชะจะสวยอย่างนี้ประโยชน์เหล่านี้ก็เสียแล้วก็เป็นผู้ที่พาเสียหายในด้านกุศลธรรมมากไปด้วยนี่วรห้าเมื่อประโยชน์เหล่านี้เสียหายอย่างงี้ประโยชน์ชาตินี้เสียประโยชน์ชาติหน้า ไปสมควรไปพบได้นะแล้วประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็หมดทีนี้ในท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นเพศบรณฑิตเนี่นะถ้าปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างนั้นบ่อยๆพระองค์กล่าวว่าให้ทานแก่ภิกษุผู้มากไปด้วยอกุศลวิตกทานเหล่านั้นก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากก็ชื่อว่าเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมนนั้นอยู่ในเพศสมณะแล้วบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านเขาปล่อยใจให้ไปกับบาปให้เป็นไปกับอกุศลมากมา กนะ็ชื่อว่าเบียดเบียนชาวแว่นแคนปล่อยความดําันดิอัลลามกให้เกิดขึ้นว่าไงประโยชน์ของผู้อื่นก็เสียแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าใจเป็นไปกับอกุศลจะไปแนะนําพระธรรมคำสอนได้ยังไงอาจจะเป็นเหมือนกับพระโลลุทายีแนะนําพระไสยาศาสกะในสิ่งที่ไม่ควรแนะ น, นํนำนะไปแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําแนะนําให้เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าตําหนิมากว่า้นเอามือที่ไปรับอาหารที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธา ไปทํากิจซึ่งหน้าตำหนิหน้ารังเกียจ ม, มากนะสามารถดูได้จากสังขารทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนะในคัมภีอธิกรรมิกะนะสังขารทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งเพรมันเสียหายมากแนะนําประโยชน์คนอื่นก็เสียหายอีกเสร็จแล้วสภาพจิตก็ไม่ได้เป็นไปกับพระธรรมคําสอนเสียประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายชักชวนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล นะเมื่อปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปอากุศลในลักษณะนี้มากมากขึ้นนะกายก็จะเป็นกายยตุจริตวจีก็จะเป็นวจีทุจริตมโนโนี่ก็เป็นมโนทุจริตจากนั้นจักปฏิสนธิในนรกบ้างนะพระองค์เนี่ยหลังหลังเออย่างถึงเลยว่าจิตอันนั้นเนี่ยยังให้พระราหูนเนี่ยตกนรกได้นะนะทำให้เกิดในกําเนศสัตว์เดรชานบ้างในปิติวิสัยบ้างเกิดในคันมานดาอันคับแคบบ้าง เพราะเหตุนั้นจักตกไปในสังสารวัฏอันไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้ที่สุดนะไอคุณภาพจิตอันนั้นเนี่ยนะซึ่งมีโลภะเนี่ยยอมจิตในขณะนั้นเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะเพราะนันทิเกิดทุกเกิดนะปุนนะนะนันทิเกิดทุกเกิดเลยนะปุณนะนะะในข้อความในปุนโนวัฏสูตรกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความโลภนี้ยังความพิรุษให้เกิดขึ้นนะ นะความพินาศความเสียหายแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ได้เกิดขึ้นแล้วในสภาพจิตในขณนะนั้นใช่ไหมโสภณสาธารณเจตสิกที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดโสภณธรรมต่างๆที่ควรจะมีก็ไม่มีความพินาศอันนั้นเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับคน ท, ที่ที่ต้องเดินทางในทางไกลนะไปที่ ท, ที่ตัวเองไม่เคยไปเลยถ้าไม่มีสตังไปสักบาทเดียวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะปัญหาจะตามมาม า, มากมายมหาศาล คนที่เสียทรัพย์ภายในคือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลเป็นต้นแล้วเนี่ยชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยจะทุกข์มากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นไอความโลภหรือโลภะตัวนั้นเนี่ยยังจิตให้กำเริบนะจิตเนี่ยกำเริบเลยใช่ไหมจิตขณะนั้นเนี่ยเป็นจิตที่หวันไหวภัยเกิดแต่ภายในชนย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นนะภัยที่จะตามมาเนี่ยนะชาติภยัยชราภายัยพยาธิภยัยมรณะภยัย โสกกะปริเทวทุกขโทมนั้อุปายาตภัยแล้วก็ราชโตวาโจรโตวาจะพามาซึ่งราชภัยโจระภัยอุทกภัยอักขีภัยต่างๆก็จะตามมาเป็นพรวนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะในภัยภายในอันนั้นก่อนย่อมนํามาซึ่งภัยภายในภายนอกแต่ภัยที่เกิดในภายในเนี่ยนะชนนั้นก็จะไม่รู้สึกถึงภัยนั้นถ้าโลภะเกิดนะไม่คํานึงถึงภัยนั้นเลย คนโลภย่อมไม่รู้อัฏฐะคนโลภเห็นทุกขสัตย์ไหมเห็นชาติทุกข์ชราทุกพยาที่ทุกข์ไหมอันนั้นคนโลภไม่รู้อัฏฐไม่รู้อัฏฐะคือทุกขสัตย์และนิโรสัตว์คนโลภย่อมไม่เห็นธรรมไม่เห็นสมุทัยสัตว์ไม่เห็นมรรคสัตว์ว่า ง, งั้นความมืดตื้อย่อมมีในการที่ความโลภครอบงำสังเกตดูนะถ้าโลภะมูลจิตเกิดขึ้นอ่ะนะ แล้วก็ไล่ถึงให้นึกถึงคําสอนนะว่าสภาพจิตในขณะนั้นนั้นเนี่ยห่างจากคําสอนมากขนาดไหนเรานี่ห่างจากผ้าหันขนาดไหนผ้าหันเนี่ยไกลจากคนมีราคะไกลจากคนมีโทสะไกลจากคนมีโมหะนะแล้วพองก็คิดต่อไปว่าเราไม่ควรเพิกเฉยราหุนนี้เหมือนอย่างเรือลําใหญ่เต็มไปด้วยรัตนะมากมายบรรจุน้ําในระหว่างกระดานแตก นายเรือนี่ไม่ควรเพิกเฉยแม้แต่ครู่เดียวฉะนั้นนว่าโอ้โหบรรทุกทรัพ์มาเพียบแป้เลย น, ะน้ำเนี่ยซึมเข้าเลยนะปล่อยได้ไหมปล่อยไม่ได้แล้วเราจะข่มราหุนนั้นตราบเท่าที่กิเลสยังไม่ทำให้มีเออที่กิเลสนี้ยังไม่ทำให้ศีล ร, รัตนะเป็นต้นในภายในของปราหุนนั้นพินาศไปเสียก่อนเพราะโลภะนั้นเกิดขึ้นมากเนี่ยรัตนคือศีลเสียหายเลยนะ รัตนะคือสมาธิรัตนะคือปัญญารัตนะคือสมถวิปัสนารัตนะคือโพธิปัจขิยธรรม37ประการใช่ไหมสติปฐานสที่เป็นรัตนะก็เสียหายสัมมาปทานสี่ที่เป็นรัตนะก็เสียหายอินทรี่ห้าพระละหโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทรัพย์สินเหล่านั้นในจิตก็เสียหายหมดเกลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยเนี่เสียหายแนย่ในฐานะเห็นปานี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงเหลียวดูดุดพยาช้างเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงยืนประทับหันหมุนพระวรากายทั้งหมดดุดปณิมาทองหมุนกลับตัดเรียกพระราหุลพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเหลียวคอเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นคนมองตรงๆอย่างเดียวก็ดูกเนี่ยเป็นแท่งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเหลียวดูอะไรนะต้องเหลียวทั้งตัวนะก็ะเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยนะหันเนี่ยต้องหันทั้งองค์นะจะหันได้่พระเสียรอย่างเดียวไม่ได้นั่นแหละแล้วพระองค์ก็ทรงตรัส ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้รูปทั้งปวงพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนะเห็นว่ารูปว่างั้นเถอะนะรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเที่ยงไหมเป็นต้นนะคือการตามเห็นในลักษณะเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ตามเห็นด้วยอำนาจของโลภะไม่ใช่ตามเห็นด้วยอานาจของ มานะไม่ได้ตามเห็นรูปเหล่านั้นด้วยอานาจของทิฐินะปฏิเสธการเห็นด้วยอานาจโลภะทิฐิมานะซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้สัตว์เนิ่นช้าทีนี้พระราหุลก็ทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ารูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคตเจ้ารูปเท่านั้นหรือพระองค์ตรัสว่าดูก่อนราหุลแม้รูป นะทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณนะรูปก็คือนยะนะเบื้องต้นอ่ะแต่เท่ากับพูดขันห้าแล้วละนะถ้าพูดรูปปุ๊บเวทนาก็เกิดใกล้รูปใช่ไหมตานี่เป็นรูปใช่ไหมเป็นนะสีเป็นรูปใช่ไหมเป็นสีเหล่านี้ทําให้เกิดจากครูวิญญาณเกิดภาษะขันห้าก็เกิดขึ้นในขณะเห็นขณนะได้ยินขณะรูปกลิ่นขณะนึกคิดนี่แหละขันห้าก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตามเห็นขันห้ า, หาเหล่านี้ คำว่าขันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไปกับอดีตอนาคตปัจจุบันนะภายในภายนอกหยาละเอียดเลวประนีตใกลกล้ายก็พิจารณาด้วยปัญญาด้วยวิปัสนาปัญญาว่าเ <c oughs> ที่ยงไหมนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่า ง, งาั้นควรไหมที่จะตามยึดถือในสิ่งเหล่านี้ทีนี้ครั้งนั้นพระราหุลก็เลยคิดว่าวันนี้ใครหนออันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาท ด้วยโอวาทในที่เฉพาะพระพักแล้วจักเข้าบ้านเพื่อบินธบัดเล่าดังนี้โอ้พ่องสอนขนาดนี้แล้วบินธบัดได้ยังไงเนี่ยก็กลับจากที่นั้นแล้วนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งท่านะกลับไปนั่งสมาธิคืนเลยครั้งนั้นท่านพระสาริบุตรได้เห็นท่านพระราหุนนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้านโคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วก็บอกท่านพราหุนว่า ดูกรราหุนท่านจงเจริญณ า, าปานสติเถิดด้วยว่าอาณาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระราหุนออกจากที่เรนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มาก น, นะก็คืออุปชายะแนะนําอาณาปานสติก็เลยจะเข้าไปถามอาณาปานสติทีนี้ขอเล่าถึงข้อความในอัตถกถาว่าเพราะเหตุไรพระราหุลจึงทูลถามว่า รปรปเมวานุโคพะควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ารูปเท่านั้นหรือพระเจ้าข้าในยะว่าพระราหุนนั้นเกิดในยะขึ้นเพราะสดับว่ารูปทั้งปวงนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอพึงเห็นรูปทั้งปวงอย่างนี้ด้วยวิปัสนาปัญญาในเวทนาเป็นต้นเนี่ยจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระราหุนเนี่ยสงสัยนะ เพราะฉะนั้นพระราหุลตั้งอยู่ในในิยะจึงทูลถามจึงอยู่ท่านพระราหุล น, นี้เป็นผู้ฉลาดในในิยะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําย่อมแทงตลอดแม้ตั้งร้อยในพันในว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งนี้ควรทําก็มีนิย่านี้เหมือนกันนะพอบอกว่ารูปเอแสดงว่าต้องมีอย่างอื่นอีกแน่นอนก็เลยทูลถามไป จริงอยู่ท่านพระราหู น, นี้เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษานะใคร่ต่อสิกขามากใคร่ต่ออาศิลอศิศิลสิกขาเป็นผู้ใคร่ต่ออธิจิตตสิกขาเป็นผู้ใคร่ต่ออธิปัญญาสิกขาเตลียทรายประมาณเท่าบาทหนึ่งนะเอาเอาเอ า, เอาบาทเนี่ยตักทรายมางั้นเยเอามาเกลีย่ยในบริเวณพระคันตกุตีแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าวันนี้เราจะได้รับโอวาทประมาณเท่านี้นะ ก็บอกว่าหนึ่งบาทเนี่ยทรายกี่เม็ดโอ้หลายเม็ดนะพระราหุนคิดเสมอว่าวันนี้จะต้องได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเท่ากับเม็ดทรายนั่นะคือท่านก็คิดว่าวันนี้เราจะได้รับโอวาทประมาณเท่านี้ได้การตักเตือนประมาณเท่านี้จากสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสํานักของพระอุปชายะพระาหุล น, นี่มีภาษาบรเป็นอุปชามีพระโมคคัลลานะเป็น อาจารย์เหมือนกันโอ้แต่ละท่านเนี่ยนะท่านมีบุญนะพระราหุลเนานะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงตั้งพระราหุลไว้ในเอตถคะจึงทรงตั้งไว้ให้เป็นผู้เลิศในการศึกษาเป็นผู้เลิศในศิขาวเหมือนกันเถอะว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาสาวกของเราผู้ใคร่ต่อการศึกษาราหุลเป็นผู้เลิศของภิกษุเหล่านั้น น, น, นะนะความที่ท่านเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาเนี่ยนะ บางแห่งกล่าวว่ามีภิกษุบางรูปนี่นะเอพระราหุลเนี่ยว่าว่าง่ายสอนง่ายจริงหรือเปล่า ว, ว่าเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาเนี่ยท่านก็แกล้งเอาไม้กวาดเนี่ยไปวางไว้เห็นพระาหุลเดินมาเอาไม้กวาดเนี่ยไปวางไว้แต่แล้วก็บอกว่าราหุลใครมาวางไว้กวาดไว้ท่านรีบเอาไปเก็บเลยนะไปเก็บเสร็จมาขอโทษพระรูปนั้นท่านเนี่ยใจขนาดนั้นเลยนะเป็นผู้รักใคร่ในการเรียนมาก แม้ท่านพระราหุนนั้นก็ได้บรลือสีหนาฏในถ้ำกลางพิสุสง์นั้นอย่างนั้นเหมือนกันว่าพระธรรมราชาผู้เป็นพระชนกของเราทรงตั้งเราวไว้ในเอตะทะคะเฉพาะหน้าภิกษุสง์เพื่อความรู้ยิ่งสิ่งทั้งปวงนี้พระธรรมราชาทรงยกย่องเราว่าเป็นผู้เลิศของพิสุทั้งหลายผู้ใคร่การศึกษาและของพิกษุทั้งหลายผู้บวช ด, ด้วยศรัทธา พระธรรมราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นพระสหายเป็นพระชนกของเราและพระสารีบุตรผู้รักษาธรรมผู้มีความอิ่มใจเป็นอุปพระอุปชายะของเราทั้งหมดเป็นคำสอนของพระชินเจ้าว่าไงเพราะฉะนั้นพระราหูนเนี่ยเป็นผู้ที่รักใคร่การศึกษ า, าทีนี้กล่าวถึงพระสารีบุตรนะไปเห็นพระ ราหุนนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอยู่อย่างนั้นอ่ะก็แนะนําสั่งสอนอพระเถระได้มีปริวิตกว่าพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัดคาถาโดยปริยายว่าปริยายก็คือโดยโดยอ้อม嘛นะเชื่อว่าสมณะพึงรู้ฉันทราคาอาศัยอัตภาพแล้วไม่พึงตรึกถึงวิตกเห็นปานชนีนะก็คือรู้เลยรู้แล้วว่าพระ อ, องค์เนี่ยแสดงว่าเราคิดอย่างนั้นผิดพลาด นะคิดด้วยจิตที่เป็นอากุศลพระองค์เนี่ยได้ทรงแนะนำแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตำหนิตรงๆอะไรไมิได้ทรงมิได้ทรงส่งทูตไปว่าดูก่อนพิสุเธอจงไปจงบอกราหุนว่าท่านอย่าตรึกถึงวิตตกเห็นปานี้อีกเลยตั้งเราไว้เฉพาะหน้าแล้วทรงประทานสุขโตวาตนะโอวาสของพระสุ ข, ขสุ ข, ขตมีความหมายว่าเสด็จไปดีแล้วไปไหนไปด้วยอะไรนะ ไปดีแล้วก็คือไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไปสู่สถานที่ดีคือสู่อมตะนิพพานเป็นผู้ไปดีคือไม่กลับมาหาโลภะโทสะโมหะเป็นต้นที่พระองค์ทรงละแล้วและข้อสุดท้ายสุขโตก็คือตรัสวาจาที่จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ชื่อว่าพระสุคตสุขโตว่ากันอันโอวาทของพระสุคตเนี่ยนะ เฉพาะหน้าว่างั้นเราเนี่ยได้รับอย่างนั้นดุจพระองค์เนี่ยจับโจรพร้อมด้วยพันดะที่จุกว่างั้นเรียกว่าจับโจรที่ที่มวยผมอ่ะนะพร้อมกับของกลางว่างั้นชื่อว่าสุขโตวาตนะโอวาดของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากโดยอสงไขยกลับนะกว่าพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยยากใครหนอเป็นผู้มีชาติแห่งบัณฑิตวินยูชนได้รับ โอว่าเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นปานนี้แล้ววันนี้จะเข้าไปยังบ้านเพื่อบินธบาติโอ้พระองค์สอนขนาดนี้แล้วยังไปบินธบาตนี่จะเป็นไปได้ยังไงวะเงั้ยก็บัณฑิตนะเพราะท่านนี่เป็นบัณฑิตลําดับนั้นท่านพราหุนเนี่ยสละอาหารลกิจและกลับจากที่อันผู้อยู่ณนะที่นั่งแล้วก็ได้รับโอวาาแล้วก็นั่งณนโะคนไม้ต้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงเห็นท่านพราหุนกลับ ก็ม่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนราหุลเวลานี้เป็นเวลาพิกขาจารของเราเธออยากกลับเลยพเพราะเฮไรนะพระ อ, องค์นี้ไม่ได้เรียกกลับนะว่าไปบิณฑบาตก่อนนะค่อยกลับอย่างนี้ไม่ไม่เรียกเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นได้มีความคิดว่าวันนี้ราหุลจงบริโภคอมะตะโพชนะคือกายคตาสติก่อนนะไปบริโภคกุศลเถอะว่างั้นวันนี้เดินมาเนี่ยโลภมันเกิดแล้วว่างั้น บทว่าอัฏฐาโคอายสัมาสารีปุตโตท่านพระสารีบุตรได้เห็นแล้วแลคือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วท่านพระสารีบุตรไปในภายหลังก็ได้เห็นแล้วนะเดินตามที่หลังก็เห็นได้ยินว่าพระสารีบุตรเนี่ยเมื่อท่านอยู่รูปเดียวก็มีวัดปฏิบัติอย่างนึงเมื่ออยู่กับพระผู้มีพระภาคก็มีวัดอีกอย่างหนึ่งวัดก็คือความปฏิบัตินะกิจวัตรนั่นเอง คือในการใดพระอัคราสาวกทั้งสองอยู่ตามลำพังในการนั้นท่านทั้งสองกวาดเสนาสะนะแต่เช้าตรู่ชำระร่างกายเข้าสมาบัติแล้วไปพิกขาจารย์ตามความชอบใจของตนของตนก่อนจะไปบินทบาทเนี่ยนะนั่งเข้าอารหัตผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์อันพระองค์ทรงแสดงว่าอาหารบินทบาทที่บุคคลได้ถวายกับผู้ที่เข้าพระสมาบัติ นะจะได้บุญมากได้อ น, นิสง์มากเหมือนกับห่วงน้ำที่มันไหลลงสู่มหาสมุทรเนี่ยนะนับไม่ได้ว่าเท่านี้เท่านี้ลิตรนะนะเท่านี้ตุ่มเท่านี้อ่างเียคือมากเมืนะ่อนกผู้ที่ได้ทำบุญกับพระที่เข้าพระสมาบัติเป็นต้นนะจึงมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งพระเถระทั้งสองเมื่ออยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอก ในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แวดล้อมด้วยภิกษุสง์เสด็จไปพิกขาจานก่อนพระพุทธเจ้าบินธบัดก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วพระเถระก็ออกจากเสนาสนะของตนคิดว่าในที่ภิกษุอยู่กันมากๆภิกษุทั้งหมดไม่สามารถจะทําให้เลื่อมใสได้นะก็คือไม่สามารถที่จะรักษาศรัทธาของคนทั่วไปได้หมดนะ เพราะว่ากิริยา ม, มารยาทของแต่ละองค์มาจากต่างบ้านต่างเรือนต่างตระกูลเพราะฉะนั้นความประพฤติบางอย่างก็เรียบร้อยบางอย่างก็ไม่เรียบร้อยก็เลยไปในที่นั้นๆแล้วกวาดในสถานที่ที่ยังไม่ได้กวาดนะเข้าของเครื่องใช้ที่ดูแลไม่เรียบร้อยนะมีพระระดับพระสารีบุตรนะไปเก็บให้เนี่ยนะไม่ธรรมดานะพระสมัยนั้นท่านมีกัลยาณมิตรดีจริงๆพระสารีบุตรนี่ไม่มีโทสะแล้วเพราะฉะนั้นการดูแลช่วยเก็บรักษาเนี่ยไม่มีการทําด้วยจิตใจที่เครียด ทำด้วยจิตใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอนั่นแหละหากว่าอยากเยื่อยังไม่ได้ทิ้งก็เอาไปทิ้งนะขยะที่ไหนยังไม่ได้เอาไปเทท่านก็เอาไปเทเบ็ดเสร็จหมดเมื่อยังไม่มีหม้อน้ําดื่มในที่ที่ควรตั้งน้ําดื่มไว้ก็จะตั้งน้ำตั้งหม้อน้ําดื่มไว้เป็นวัดอย่างหนึ่งนะในการตั้งหม้อน้ําดื่มไว้ในวัดไปเยี่ยมพี่สุขให้ไปถามพระป่วยว่าอาวุโสผมจะนําอาหารอะไรมาถวายท่านท่านต้องการอะไร งานโรคของท่านเป็นอะไรจะเอายาชนิดไหนไหมบอกผมนะนะผมจะไปหามาให้เหมือนนไปหาพิกูจน์หนุ่มที่ยังไม่ได้พรรษามาเจอพระหนุ่มเนยน้อ ย, อยนี้ก็สอนว่าอาวุโสทั้งหลายขอท่านจงยินดียิ่งเถิดจงอย่าเบื่อน่ายในพระพุทธศาสนาอันมีสาระแก่นสารในการปฏิบัติเลยนะอย่าเบื่อนายนะจงยินดีพอกพูนอยู่ในศีลสิกขาจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานะโอกาสอย่างนี้หาได้ยากว่างอนกัน น่าจะมีความสุขนะเจอพระเถระที่ประดับที่เรียกว่ารรมเสนาบดีมาคอยให้กำลังใจตลอดอยางไงขั้นทำอย่างนี้แล้วก็ไปพิกษาจารย์ภายหลังภิสูุทั้งหมดเหมือนอย่างว่าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระประสงค์จะเสด็จไปณนะที่ไหนไหนทรงแวดล้อมไปด้วยเสนาเสด็จไปก่อนปรินายกแก้วจัดกองทัพออกไปภายหลังฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นจักรพรรดิแห่งพระัทธรรมก็ฉะนั้นทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสงสเด็จออกไปก่อนพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นปรินายกแก้วของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทํากิจนี้เสร็จแล้วจึงออกไปภายหลังภิกษุทั้งหมดพระเถระนั้นออกไปอย่างนี้แล้วในวันนั้นได้เห็นพระราหุลพัฒน์นั่งนะโคนต้นไม้แห่งหนึ่งนะก็ไปเห็นภาษาเร่อพระราหุลใช่ไหมนั่งกรรมฐานนะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านภาษาดิบจึงชักชวนในอาณาปานสตนะิเห็นนั่งทําไมจึงไปแนะนําให้เจริญอาณาปานสติคือการกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาบอกว่าเพราะสมควรแก่การนั่งอิริยาบถ ท, ที่เหมาะแก่การกําหนดลมหายใจเข้าออกคืออิริยาบถนั่งเหมือนกันได้ยินว่าพระเถระไม่ได้นึกถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรูปกรรมฐานแก่พระราหุนนั้นแล้วคือคือไม่ได้ ไม่ได้ตรวจสอบว่าทำไมท่านจึงนั่งแต่เห็นเออความเหมาะสมอย่างนี้นะน่าจะเจริญอาณาปานาสติกว่างัน้นท่านก็เลยคิดว่ากรรมฐานนี้สมควรแก่การนั่งนี้ของพระราหุนนั้นโดยอาการที่พระราหุนนี้นั่งติดอยู่ในอาสนะอันไม่ไหวติง่งจึงกล่าวอย่างนั้นคือเพราะว่าอาณาปานาสติเนี่ยนะมะในในีในพระไตรบิดกเนี่ยยกย่องมากนะเขาเรียกว่ามหานิสังสารมหาพลาว่างัน้นมหานิปแปลว่าเยอะใหญ่ อันนี้ทรงมากเหมือนกันมหาพลาก็คือมหาบวกพลามีผลเยอะมีอันนี้ทรมากมีผลมากเหมนนะแต่ว่าอานาปานสติเนี่ยนะมีรายละเอียดเยอะผู้ใดอยากประสงค์จะศึกษาปฏิบัติจริงๆอานาปานสติก็ดูได้จากอานาปานาสติสูตรในคัมภี์มัชชิมนิกายหรือว่าอานาปานาสติในปฏิสัมพิธามักแบบละเอียดหน่อยหรือว่าจะดูอานาปานาสติในวิสุทธิมัค ก, ก็ได้ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจก่อนนะ ค่อยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยไม่ใช่ฮืดเข้าเฮดออกแล้วนั่งฟุ้งซ่านอยู่ครึ่งชั่วโมงบอกแมววันนี้กำหนดลมดีจังว่ะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าอย่างนั้นผิดพลาดแล้วนะังนั้นควรศึกษาให้เข้าใจ <c oughs> ทีนี้พระราหุนนี่พอตกตอนเย็นมานะก็เลยอยากจะไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาณาปานสติจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าวิธีการปฏิบัติอนาปานสตินี่ควรทำอย่างไรทีนี้พระองค์บอกว่าสภาพจิตของพระราหุนช่วงนั้นยังไม่เหมาะที่จะเจริญอนาปานสติควรที่จะเจริญาธาตุกรรมฐานก่อนพระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข่งแข็งอันกมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนะก็คืออุปาทารูป ที่เป็นอุปาทินากาสังขารน่นะที่เป็นภายในที่มีลักษณะแค่นแข็งแสดงว่าหมายถึงอะไรปฐวีธาตุนะที่มีอยู่ในภายในคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดไตปอด ม, ม้ามไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอันเป็นภายใน อาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแค็นแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าปัทวีธาตุเป็นภายในเรานนัน้ก็ปัทวีธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดปัทวีธาตุอันนั้นก็เป็นปัทวีธาตุเหมือนกันปัทวีธาตุนั้นเพอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้ บุคคลเพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในปฐวีธาตุนะโลภะเป็นต้นก็จะไม่เกิดอาศัยปฐวีธาตุเหล่านี้ดูก่อนราหุนก็อาโปธาตุเป็นฉนะัยอาโปธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็อาโปธาตุที่เป็นภายในเป็นฉนะ สิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคืออะไรบ้างคือน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำมันขน้นน้ำตาเปลีว่วมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะนะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าอาโปธาตุเป็นภายใน ก็อาโปธาต์เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดอาโปธาต์นั้นเธอเพิงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงมันจริงยังไงก็ให้มองอย่างนั้นแหละไอที่ไม่จริงอย่าไปเอาอย่างนั้น <c oughs> เสร็จแล้วก็ถ่ายทอนว่านั่นไม่ใช่ของเรานะด้วยโลภะเราไม่เป็นนั่นก็ไม่ได้จะต้องไปมีมานะกับสิ่งนั้นว่านั่นไม่ใช่อัตตาคือไม่มีทิฐิในสิ่งนั้นอย่างนั้น เพราะบุคคลเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุนิพิทาก็จะเกิดขึ้นได้นะจิตย่อมคลายกำหนัดในอาโปธาตุดูก่อนราหุนก็เตโชธาตเป็นฉไนะเตโชธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็เตโชธาตเป็นภายในเป็นฉไนะ สิ่งใดเป็นภายในเพราะอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโซมไฟที่ยังกายให้กวนกวายและไฟที่เผาอาหารที่กินที่ดื่มที่ลิที่เคี้ยวที่ลิมให้ย่อยไปโดยชอบหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อน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 เพราะบุคคลเห็นเตโชาธาสนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชาธาตจิตย่อมคลายกำหนัดในเตโชาธาตวายโยนะดูก่อนราหุนวายโยาธาตเป็นฉนวายโยธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีเป็นวายโยก็วายโยาธาตเป็นภนะายในเป็นฉนะสิ่งใดเป็นของภายในอาศัยตนเป็นวายโยมีลักษณะพัดไปมาอันกมและกิเลสเข้าไปยึดมั่น นะ้าลมส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมใช่ไหมพ อ, อกรรมและกิเลสทำให้เกิดด้วยกิเลสใหม่ก็ยึดอีกก็ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลงลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นวายโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่ายวายโยธาเป็นภายใน ก็วาโยธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดวาโยธาต์นั้นเป็นวาโยธาตเหมือนกันวาโยธาต์นั้นเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นวาโยธาต์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาต์จิตย่อมคลายกำหนัดในวายโยธา เหลือีกาธาตุอย่างหนึ่งนะคืออากาศาธาตุมันดูกรราหุนก็อากาศาธาตุเป็นฉนะอากาศาธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีไอช่องว่างว่างอ่ะนะอากาศาธาตุที่เป็นภายในเป็นฉนะสิ่งใดเป็นภายในอาศายัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างก็บอกว่าวาดเขียนไม่ได้บอกที่ที่ไหนที่วาดเขียนไม่ได้ตรงนั้นเรียกว่าอากาศเหมือนกันช่องว่างอ่ะนะก็บอกว่าอันกรรมได้กิเลสเข้าไปยึดมั่นคือช่องหูเนีไย ช่องหูช่องจมูกช่องปาก ช, ช่องคอสำหรับกลืนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มช่องท้องสำหรับเก็บอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มและช่องสำหรับทายอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มออกเบื้องล่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างไม่ทึบมีลักษณะไม่ทึบเป็นช่องมีลักษณะเป็นช่อง อันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องเป็นในภายในอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรียกว่าอากาศธาตุเป็นภายในก็อากาศธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอากาศธาตุอันนั้นเป็นอากาศธาตุเหมือนกันอากาศธาตุนั้นเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้ เพราะบุคคลเห็นอากาศาธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศาธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในอากาศาธาตุนะก็บอกว่าเมื่อเจริญภาวนาในธาตุทั้งห้าอย่างนี้นะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูกรราหุลเธอจงเจริญภาวนาอ บ, บรมจิตเสมอด้วยแผ่นดินเถิดว่างั้นคือคือเมื่อพิจารณาเรื่องแผ่นดินทั้งภายในทั้งภายนอกแล้ว ทำจิตให้มันเป็นเหมือนแผ่นดินะนะว่าเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้คือชีวิตของคนเรานั้นมันต้องกระทบกับอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าทำใจเหมือนแผ่นดินซะก็มั่นคงไม่วันไวใช่ไหมเป็นจิตที่โลกธรรไม่ครอบงา ดูก่อนราหุนเปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำน้องบ้างเลือดบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงําจิตได้นะตอนแรกก็ให้เจริญวิปัสสนาเป็นต้นนะในธาตุดินคือละผมคนเล็กเป็นต้นแล้วก็อาศัยดินภายนอกให้พิจารณาให้ดีแล้วตั้งจิตอันนั้นให้เสมอเหมือนกับแผ่นดินทําชาวนะจิตให้มีความรู้สึกว่าไม่ต่างจากแผ่นดินเพราะแผ่นดินนี้ไม่ไม่ดีใจหมายถึงแผ่นดินไม่มีดีใจใช่ไหมแสดงว่าทํายังไงชาวนะที่เป็นโลภะไม่เกิด นะดีใจในที่นี้หมายถึงเล่าพระที่เป็นชาวนะแผ่นดินจะไม่เสียใจทํายังไงชาวนาจะไม่เป็นโทสะนะโมหะไม่กล่าวถึงก็เท่ากับพูดแล้วทํายังไงใจจะมั่นคงอย่างนั้นก็คือเมื่อได้ภาษะทางตาหูทํำยังไงอธิศินอธิจิต อ, ธ, อธิปัญญาสิกขาจึงจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละดูก่อนราหุนเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ําเถิด เพราะเมื่อ เ, อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่ผสัสษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนคนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำนองบ้างเลือดบ้างลงในน้ำน้ำจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดด้วยของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำฉะ น, นั้นแล เพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่พัรษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตไ ด, ได้สามารถที่จะเอาอุปมานะเราทั้งหลายฟังแล้วทำไม่ตามไม่ได้แต่ถึงทำตามไม่ได้แต่ผู้ที่ทำตามได้อยู่มีอยู่นะนะผู้ที่แสดงสูตรนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำสอนของท่านผู้ที่ปฏิบัติตามเหล่านั้นได้เรียกว่า พระสงฆ์เรามีศรัทธาในพระรัตนตรายก็อย่างดีคือคนทั้งหลายบางทีนะฟังแล้อบอกใครจะไปทําตามได้จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระริยเจ้าอยู่เรื่อยเลยนะ <S <S แต่ให้มองว่าเออนี่นะสารณะของเราแนะนําอย่างนี้เพื่อที่จะหลอเลี้ยงเกื้อกูลศรัทธาของเราต่อๆไปนะวันนี้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสักวันเธอหน้านะก็บอกว่านิพพานเนี่ยนะเป็นของละเอียดเลึกซึ้งใช่ไหมเรายังกล้าปาถนาเลยอะถ้าอย่างนี้เราก็ฟังแล้วสักวันหนึ่งเธหน้าเราต้องปฏิบัติได้ตามนั้น อันที่จริงนะครับพระองค์ได้วางแนวทางไว้หมดเรียบร้อยววเราไม่ต้องไปคิดเลยนะครับเรื่องโยนิโสมนัสิการแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราได้ตรึกตามเท่านั้นแหละใช่พ่อใช่เพียงแต่ว่าตรึกตามโยนิโสมตามที่พระองค์ตัดไว้เท่านี้นะครับก็ ก, ก็ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเลยด้วยนะครับแต่ที่จริงนะครหลังจากที่ทรงอ ทรงเทศนาในลักษณะที่วิปัสนาแล้วนี่พอมาช่วงนี้เป็นเรื่องของสมถะใช่ไหมครับเจนพานชายัยคือคือสัมพันธ์กันนะคือเรื่องราวเหล่านี้ต้องต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดถ้าพื้นฐานในการพิจารณาเรื่องดินน้ำลมไฟอากาศอ่อนที่จะมาทําจิตให้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่นั้นก็คือแสดงในลักษณะของผลเมื่อปฏิบัติตามนั้นได้แล้วจิตก็จะมั่นคงแบบนั้นแหละเพราะว่าธาตุดินธาตุาาไฟไฟไฟไน้ําธาตุลมธาตุไฟภายในภายนอกนอก็ไม่ได้ต่างกันอะไรกันหรอก เพียงแต่ว่าภายในเนี่ยตานหาและทิฐิหรือกำเนี่ยเข้าไปยึดมั่นเท่านั้นเองที่จริงแล้วอะเกิดมาทีแรกโตเท่านี้ที่ไหนเนอาศัยผักไม้ใบหญ้านี่แหละกินเข้ามาเจริญเติบโตก็เลยยึดเลยนี่แหละที่จริงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากใบไม้ข้างนอกเท่าไหร่หรอกแต่ทีนี้ว่าเราเจริญกรรมฐานเหล่านี้น้อยไปก็เลยสําคัญไปต่อไปว่าดูก่อนราหุลเธอจงเจริญภาวนาสเสมอด้วยไฟเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุนเปรียบเหมือนไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมุดบ้างน้ำลายบ้างน้ำนองบ้างน้ำเลือดไฟนั้นจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดชังของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟฉันนั้นแหละ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 ดูก่อนราหุนเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงมจิตได้ดูก่อนราหุนเปรียบเหมือนอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนหนฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศฉะนั้นแหลเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่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 นะสงครามของไม่ใช่อาวุธชิ้นเดียวนะไปที่ไหนพกมีดเน็บมีดปอกกล้วยอยู่อันเดียวนะจะเข้าสงครามนะีโอ้ยไหวที่ไหนะฟังธรรมะฟังอย่างนี้เดียวนะไปที่ไหนก็จะเอาแต่อันนั้นแหละไม่พอหรอกที่ว่าไม่พอทําไมอะ่ะเพราะเราไม่ได้เข้าถึงบทธรรมนั้นนจริงๆแต่ถ้าเราเข้าถึงบทธรรมนั้นบทธรรมที่ว่าหมายถึงอะไรนะถ้าเข้าถึงอริยสัจจริงๆอ่ะนะก็ไม่มีปัญหาแต่สาคัญเนี่ยได้แต่บทได้แต่ถ้อยคําเท่านั้นแหละก็แย่มีดสั้นอ่ะนะสมัยนี้สงครามมัน ลึกซึ้งเลยนะกิเลสนี้มันก็กิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ทําสงครามอะ่ะอันกิเลสนี้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้ารมคำําสอนซึ่งเป็นอุบายในการระงับบาปอกุศลก็ต้องหลากหลายวิธีฉันนั้นเหมือนกันเธอจงเจริญกรุณาภาวานาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวานาอยู่จะละวิหิงสาได้วิหิงสาก็คือความคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาอ่ะนะถ้าหากว่าเจริญกรุณาบ่อยๆก็จะเห็นใจคนอื่นเขา เธอจงเจริญมุ้ทีตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญมุ้ทีตาภาวนาอยู่จักละอระติได้ความไม่มีความสุขไม่สดชื่นเนี่ยจ ะ, จะละไปอรติก็คือความไม่ยินดีถ้าเจริญมุ้ทีตาน ะ, อ, ะอวยชัยให้ที่คนอื่นเขามีความสุขอย่างเงี้ยใช่ไหมปีใหม่นี้ทุกคนมีความสุขยินดีกับเขาด้วยนะยินดีที่เขามีความสุขอ่ะเขาได้สุขเราเราสุขกับเขาไปด้วยน ะ, ะลักษณะ น, นั้นเป็นมุ้ทีตานะ เราทํำยังไงเขามีความสุขเออดีแล้วที่เขามีความสุขนะยินดีด้วยนะถ้าลักษณะนี้ก็เป็นมู้ทีตาเราก็จะได้ละความไม่ยินดีแห่งจิตคนที่มีจิตอ่าไม่ค่อยยินดีแบบนี้แสดงว่าขาดมู้ทีตาคนอื่นเขามีความสุขไม่คิดให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ใจก็คับแคบไปอะนะ่ะเนาะเขาปีใหม่เขามีความสุขก็ให้เขามีความสุขไปเถอะเราจะไปทุกข์เลย เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละปฏิฆะได้นะจักละความหมงุดหงิดได้นะเธอจงเจริญอสุภาพภาวนาเถดิดเมื่อเธอเจริญอสุภาพภาวนาอยู่จักละราคะได้เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาก็คือเจริญอนิจจานุปัสสนานั่นเองเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่จักละอัสมิมานะได้น ะ, ะเมื่อตามเห็นความไม่เที่ยงมานะก็ไม่เกิด มาน่าอาศัยอะไรสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ท้าวร อ, อะไรทักอย่างนะจะ ไ, ไปแบกขามอะไรนักบ้างดูก่อนราหุลเธอจงเจริญอาณาปานสติเถิดโอสอนให้เจริญเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าพระราหุลท่านมีใจใครในการศึกษาเป็นผู้ที่มีศรัทธามากเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ปัญหาเลยคิดดูนะทีแรกพระองค์นี้ทรงสอนให้เจริญธาตุหก่อนใช่ไหมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุและ อากาศศราเสร็จแล้วสอนให้เจริญพรหมิหารอีกสนะสอนให้เจริญอสุภะด้วยแล้วก็สอนให้เจริญอนิจจาสัญญาแล้วสอนสุดท้ายอาณาปานสติดูก่อนราหุนเธอจงเจริญอาณาปานสติภาวนาเถิดเพราะอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นะมาฟังดูวิธีการเจริญอานาปานสติของพระผู้มีพระภาคนะว่าคนที่เขาฝึกนั้นแนวเดียวกันไหมดูก่อนราหุลภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดารงสติไวเฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าบางสำเนินเก็บอกเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแต่เขาบอกว่าเด็กที่เกิดมาทีแรกในท้องแม่ก็าหายใจออกก่อนจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงรป่าเ็า <c oughs> บอกว่า <c oughs> เธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านะอันอน า, นาปานสตินี่มี16บหับพระนะมี16บ6บหมวดด้วยกัน เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า ห, <ม>หยายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าย า, ยาวก็รู้ชัดว่าหยายใจเข้ายาวชั้นต้นต้องรู้อันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหยายใจออกสัน้นเมื่อหยายใจเข้าสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นนี่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามาย่อมทำศึกษาว่าสำเนียกเนี่ยนะไม่ชอบเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่านมาตั้งแต่สมัยเมื่อสิบปีที่แล้วก็ยังไม่่อยจะรู้เรื่อง ไปเจอบาลีอสิคติว่างันเขาบอกว่าสัพพกายะปฏิสั่งเวทีอัสสัตเซ ส, สมีติสิคเตนะมาจากสิคติตัวหน้าคือศิกขาศึกษานั่นเองนะประว่าย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักระงับกายะสังขารหายใจออก ย่อมศักษาว่าวจักระ ง, งับกายสังขารหายใจเข้า4อย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเพราะเป็นลมนับเนื่องในกายใช่ไหมลมเนี่ยในอาการ42ินี่ลมเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมที่เข้าไปหล่อเลี้ยงกายถ้าขาดลมซะชีวิตก็ไม่มีต่อไปหนึ่งหายใจเข้ายาวก่อนนะเเกี่ยวยาวสองสั้นสามกองลมทั้งปวง4ระ ง, ง, งับกายสังขาร ทีนี้มาดูว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานในขณะที่หายใจเข้าออกว ouais. ่างันย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้ปีติหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้ปีติหายใจเข้าอันนี้กําหนดรู้ปีตินะย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้สุขหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้สุขหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักรงับจิตตะสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักรงับจิตตสังขารหายใจเข้า อ, อ, อันนี้สี่อย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปสนา 1. น, นะปีติหายใจเข้าออก 2. นะสุข3กํกำหนดรู้จิตตะสังขารจิตตสังขารในที่นี้ได้กญญแกนะ่สัญญาและเวทนาสัญญาและเวทนานั้นเป็นตัวปรุงแต่งจิตนะกำหนดรู้สัญญาและเวทนาข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือ ระ ง, งับจิตตะสังขารก็คือระ ง, งับสัญญาและเวทนาที่หยาบให้มันเลือละเอียดไปเรื่อยๆนะศึกษารายละเอียดก็ต้องไปดูคำพีที่อ้างอิงก่อนหน้านี้มาต่อไปนะจิตานุปัสสนาว่าย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจั ก, าาจากทาจิตให้ร่าเริงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักทาจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักดารงจิตมั่นหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักดารงจิตมั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเปลื่องจิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเปลื่องจิตหายใจเข้ามีสีํคำอันนี้กลุ่มจิตตานุปัสสนานึงนะกหนดรู้จิตสอง ทำจิตให้ร่าเริงสามทำจิตให้ตั้งมั่นสุดท้ายเปลื้องจิตนะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะนะนี่เรื่องหายใจนั่นนะแต่ก็ยังว่านะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปับ๊บเลื่อนไปจุดอื่นๆก็ไม่ยากนะักเพราะว่าอนาปานสติเนี่ยจะตอบด้วยพวกอะไรนะปฏิจจสมุป บ, บาทเนี่ยไม่ยากนะักเอางั้นถ้าได้ ถ้าคนที่สามารถตรึกเรื่องอนาปานาสติได้ดีระดับหนึ่งนะศึกษ า, าปฏิจจสมุปบาทและสงครอบปฏิจจสมุปบาท ล, ลงไปจะไม่ยากจนเกินไปเพราะคนพวกนี้แสดงว่าจำแม่นพอสมควรนะต่อไปนะว่าบับภาษสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากัก พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้า น, นี่ก็คืออนิจจานุปัสสนาในขณะหายใจเข้าหายใจออก mm hmm. ก็บอกว่า mm hmm. เมื่อกล่าวถึงอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาเท่ากับพูดแล้วอนัตตานุปัสสนาเท่ากับพูดแล้วแล้วแถมให้นิพพานุปัสสนาด้วยเสร็จแล้วท่านก็พระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะนะวิราคานุปัสีนะ วิราคะนะปราศจากราคะหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาความปราศจากราคะหายใจเข้าต่อไปก็ย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาเห็นธรรมะเป็นที่ดับสนิทนะอันนี้เรียกว่านิโรธานนปสีหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักพิจารณานะธรรมะเป็นที่ดับสนิทหายใจเข้าแล้วก็สุดท้ายว่าย่อมย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาธรรมะเป็นที่สลัดคืน ปฏินิสคานุปัสสีหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะพิจารณาธรรมะเป็นที่สลัดคืนหายใจเข้าตรงสุดท้าย4อย่างนี่นะท่านกล่าวเลยหนึ่งอนิจจานุปัสนาเสร็จแล้วกระโดดไปหาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสขานุปัสนาตรงนี้อนุปัสนาเจ็ดถ้าอนุปัสนาเจ็นะทั่วไปก็ตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปนะ หายใจเข้าออกเป็นพังกายานได้เนี่ยไมนคนมีบุญนะไกราบท่านก็ยังดีนะใครนะที่หายใจแบบนี้ได้พระพุทธเจ้านะเอาคนแรกก่อนนะคนที่เหลือต่อไปก็มีแต่ว่าตัวอย่างอ ง, องเดียวก็พอนะพระพุทธเจ้าท่านทำได้นะาศาสดาของเราทำได้เดี๋ยวต่ออีกหน่อยว่าดูก่อนราหุนอนาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ ดูก่อนราหุนเมื่ อ, อนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ลมอัศ ส, สะปัสสะอันมีในภายหลังอันบุคคลผู้เจริญอานาปานสติทราบชัดแล้วย่อมดับไปจะเป็นอันบุคคลผู้เจริญอานาปานสติไม่ทราบชัดแล้วดับไปหาไม่ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วท่านพระราหุนมีใจ ย, ยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ นี่ก็สูตรนี้ก็แสดงว่าเพราะผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงธรรมะระงับดับกิเลสทุกสายเลยนะระงับโลภะโทสะโมหะและวิตกด้วยนะระงับทุกเรื่องเลยละอสมิมานะอันพระองค์เนี่ยสอนธรรมะตั้งหลายอย่างด้วยกันอันการเจริญกุศลธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ควรจำกัดอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นะอาหารนี่ควรจะทานเป็นหลายๆอย่างน ะ, ะสบายไปที่ไหนก็ทานได้ ฟังเพลินเลยครับคือถ้าไปอ่านเองนะก็ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจแล้วไม่ค่อยทราบซึ้งนะแต่ท่านเอามาอ่านแนละ้วเขาอธิบายเป็นช่วงๆมองเห็นภาพเออก็ต้องกลับขอบพระคุณอนะาจารอาจารย์อุสาหเน็ตเนยย่าผมาในสูตรนี้นะผมสนใจอยู่ตรงตอนแรกนะฮะที่ที่ท่าน สอนพระราหุล น, นะฮะให้เจริญเรื่องเรื่องรูปก่อนใช่ไหมฮะคือให้พิจารณาอุปาทานขันคือรูปรูปูปาทานขันเนี่ยตรงนั้นนี่น ะ, ะว่านั่นไม่ใช่ของเราเนะะี่ยนะเขาว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยนะที่ว่าที่ภาษาบริว่าเอตังมะมะที่เราเคยชินนะนะว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยนะคร นี่เป็นการสอนวิปัสนาถูกไหมครับเชิญพอนคือคําว่าวิปัสสนานั้นก็คือสัมมัปปัญญายาทตาพังก็คือเห็นด้วยปัญญาอันชอบบางบางท่านแปลว่าเห็นอย่างที่มันเป็นอ่ะมันเป็นรูปประคันก็ให้เห็นเป็นรูปประคันแต่คนไม่ได้เห็นอย่างนั้นใช่ไหมเห็นเป็นอย่างอื่นซะเรื่อยเลยครับคือเพียงเพียงยอดๆเท่านี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราฟังดูแล้วเท่านี้เหรอนะฮะแต่ที่จริงแล้วนี่นะครับ ผู้ที่มีข้อมูลเยอะหรือว่าศึกษามาเยอะๆนี่นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเขาก็ต้องทราบถึงในยะทั้งหลายใช่ไหมครับั้งเหตุถึงปัจจัยถึงไม่ ท, ที่ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเราจริงๆถูก <จน S 1> ไหมครับอันการเห็นที่ว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยตาหาร้อยแปอะ่ะนั่นไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นนั่นเนี่ย<ม>ก็คือปฏิเสธมานะเก้าในในในรูปอันนั้น แล้วก็นั่นไม่ใช่อัตราของเราก็คือปฏิเสธทิฏฐิทั้งที่เป็นสกายะทิฏฐิยี่สิบแล้วก็ทิฏฐิไม่ทำมด้หกสิบสองอย่างนะคือนั่นไม่ใช่ของเรานี่ก็องค์ธรรมก็ได้แก่ตัญหานะครับแล้วก็นั่นนั่นไม่ไม่ไม่เป็นเรานี่ก็มันนะแล้วก็นั่นไม่ใช่ตัวตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นทิฏฐิเป็นอัตราตัวตัเนี่ยทิฏฐินะเจนทร์ผ่อนใช่คืออย่างพระราหุนนี่นะฮะ ท่านเป็นนะท่านท่านเป็นเอตัทธะทางด้านการศึกษาด้วยนี่ น, นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าพระราหุ่นจะเข้าใจกิ่ในยะเมื่อฟังเพียงเท่านี้ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเราสังเกตจากข้อความนะตั้งแต่ว่ารูปจนถึงว่าสัมมปัญญายัตถพังเนี่ยคือตามเห็นเนี่ยนะวิปัสนาปัญญาซึ่งเป็นกุศลสายมรรคสัต์แต่ว่าขณะวิปัสนาตัววิปัสนาเป็นทุกสัต์ แต่เป็นทุกขสัตว์ที่ควรเจริญนะไอ้ตัววิปั ส, สนาอันนี้ไปพิจารณารูปประคันอาการที่ตามพิจารณารูปประคันรูปประคันซึ่งเป็นสัตว์จำไหมเป็นทุกขสัตว์นะเมื่อตามเห็นในลักษณะนั้นปั๊บก็จะไม่ชื่อว่าเป็นการตามเห็นแบบสมุทยัทยสัตว์คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้อบรมเจริญภาวนานั้นเป็นการตามเห็นผมเป็นต้นเนี่ยโดยสมุทยัทยสัตว์ ไม่ได้เห็นโดยความเป็นทุกขสัตย์เพราะไม่ได้เจริญปัญญาเมื่อไม่ได้เจริญปัญญาอย่างนี้เขาก็จะเจริญสมุทัยสัตว์เมื่อเจริญสมุทัยสัตว์เนี่ยชีวิตในวัตฏะก็ยาวนานดงนั้นถะ้อยคําเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคําที่ประตะสัจจะอยู่ตลอดเวลานะเสร็จแล้วที่เอาสูตรนี้มากล่าวก็ให้เห็นว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะไม่ใช่เจริญการมฐานเดียวที่ที่พระองค์บอกว่าเจริญเมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาท แล้วยังเจริญพรหมิหารข้ออื่นๆด้วยเจริญาธาตุกรรมฐานด้วยเจริญอสุภะภาวนาด้วยแล้วก็เจริญอนิจจานุปัสสนาด้วยนะเพื่อที่จะได้ละมานะได้อั น, นต้องเจริญหลายๆอย่างด้วยกันและคนที่เจริญบ่อยๆนี้จะรู้ด้วยว่าสภาพจิตขณะนี้เป็นอะไรอย่างผู้ที่เจริญจิตตานุปัสสนาจะรู้เลยว่าเมื่อจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาโลภามูลจิตเกิดก็รู้เมื่อจิตปราศจากโลภาก็รู้ แล้วรู้อุบายแก้ด้วยถ้ารู้แบบนี้เข้าว่าเออจิตขณะนั้นเนี่ยควรจะเจริญธรรมะหมวดใดนะเจริญธรรมะหมวดใดซึ่งไปใช้แบบเหมาะสมอ่ะนะเหมือนกับเหมือนกับว่าเออโรคอะไรเกิดเหมาะกับยาชนิดไหนันการศึกษาพระธรรมหลายๆสูตรก็จะเป็นลักษณะนั้นถ้าเราทั้งหลายไม่รังเกียจพระรัตนตะรัยนะเออบางคนเนี่รังเกียจปริยัตนะคนที่รังเกียจปริยัตก็คือคนที่รังเกียจพระรัตนตรายเพราะว่าปริยัตคือ ธรมังสารนังข้าฉามินะสารณ ะ, ะของเราว่ายังไงควรมีสารณ ะ, ะเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะเรามีสารณ ะ, ะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใช่ไหมเรียกว่าไงตับปรายนะมีสารณ ะ, ะเป็นมอบกายถวายชีวิตแก่ท่านเรียกว่าอัตตะสันนิยตนะนะแล้วก็ขอเป็นสิทธิท่านเป็นสิทธิสภาวุปคมัมมนะและสุดท้ายนะขอขอเป็นอะไรนอบน้อมท่านอย่างยิ่งเป็นปณิปาตะ เพราะฉะนั้นของเราทั้งหลายก็ศึกษาในลักษณะศึกษาพระรัตนตรัยด้วยเพราะว่าเรานี้มีท่านเหล่านี้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกนะผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยกุศลธรรมคือศรัทธาเกิดเลยนะซับคือศรัทธาก็เกิดเมื่อมีศรัทธาก็นั่งฟังเป็นต้นนะไปอ่านไปฟังเป็นต้นซับคือสุตตะก็เกิดเมื่อมีสุตตะแบบนี้บ่อยๆนะไปที่ไหนฮิเรโอตปาปะก็จะเกิดซับคือฮิเรโอตปาปะก็มีขึ้นนะ แล้วก็ศีลก็จะดีขึ้นอะไรขึ้นนะกุศลธรรมประเภทปัญญาก็มีขึ้นอั้นการศึกษาพระธรรมคําสอนเหมือนกับเป็นการเพิ่มพูนทรัพย์เหมือนกับการทํางานในทางโลกก็เหมือนกัน น, นะเพื่อทรัพย์นนะ่ะอันนี้ก็เพื่อทรัพย์เหมือนกันแต่เป็นอริยทรัพย์ภายในถ้าเราศึกษาเพื่ออริยทรัพย์ภายในนะใจเราจะเบากว่านี้เยอะแต่หลายท่านนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะศึกษาเขาว่าเจอจำนวนเขาเล่าอ่ะนะ เจอสรพองก็จะเป็นเหมือนสรพองเจอคนงามขนาดไหนก็จะเป็นเหมือนคนนั้นน่ะนั่นแหละเจอคนเก่งก็จะเป็นเหมือนกับคนเก่งแบบนั้นน่ะก็ลเลยทุกใหญ่เลยโลกนี้มันคับแคบไปหมดเลยก็คือมันจะเป็นทุกเรื่องอ่ะนะเจอสูตรนี้ก็จะโ oh, uh, อ้โหจังแบบสูตรนี้ไปเจอไอ้แบบนั้นจะเอาแบบนั้นอีกอันนี้เขาเรียกว่า Now, ไม่รู้ฐานนะเหมือนกันผู้ที่ไม่รู้ฐานนะศึกษาแล้วมันทุกแต่ถ้าคนที่รู้ฐานนะเออศึกษาเพื่อก่อให้เกิดศรัทธาก่อเกิดปีติเกิดปราโมทเพื่ออริยทรัพย์และใจจะเบา เราศึกษาเอาอะไรศึกษามากๆเข้าตำราทั่วหัวดีไหมถ้ากุศลจิตเกิดสาธุโมทนาด้วยกุศลไม่เกิดก็ไม่อนุมโมทนา